วันนี้สบายหน่อยน้อยหน่อยเมื่อวานห้าสิบกว่าแต่เยอะๆโอ้ไม่รู้จะพูดยังไงมันหลายสำนักนะยุ่งโอ้วันนี้ไม่ต้องพูดมั้งเนาะทำเป็นแล้วเนี่ททำไป โอ้สบายไปนเนี้ยโยไม่เอาเลไปตรุงแต่งมัเนี่ยทำแล้วรู้ไหมดูแลสงใจไปดูสงใจไปดูไม่ถูกแล้วถูกไหมเที่ยวหาแล้วคือโยอย่าไป คิดว่าการปฏิบัติเนี่ยนะเราต้องทําอะไรซะก่อนเราถึงจะลงมือปฏิบัติได้ลึกๆเราคิดว่าต้องทําอะไรสักอย่างก่อนถึงจะลงมือดูได้รู้สึกไหมโดยตรงนั่นแหละสําคัญผิดการที่เราส่งใจเข้าไปกะว่าจะเข้าไปดูเนี่ยเนี่ยหลงเรียบร้อยล้วเพราะงั้นถ้าโยรู้ตั้งแต่ว่าโยกําลังส่งใจเข้าไปดูนะ การส่งเข้าไปก็ขาดไปเลยตัวนี้ตัวสมูทัยนะ่ะดูออกไหมเนะี่ยสมทยมันเกิดเก็นไหมว่าพอส่งใจเข้าไปดูดนะ้ยจิตจะไหลเข้าไปเกาะลองๆองดูสิเห็นไหมจิตจะเคลื่อนเข้าไปเกาะดูออกไหมความจงใจที่จะไปดูเนี่ยตัวนี้เรียกว่าสังขารนะมาจากอวิชชาถ้ามันดูเองก็ถ้ามันดูเองมันจะไม่เป็นนะมันจะเบาเลย แต่ว่าอันนี้จิตจไหลเข้าไปสังขารเป็นปัจจัยของวิญญาณใช่ไหมวิญญาณหยั่งลงวิญญาณหยั่งลงไปที่ถ้าไปดูกาย ก, ายก็หยั่งลงที่รูปไปดูทางจิตใจก็หยั่งลงไปในนามดูออกไหมตอนนั้นไม่ใช่จิตด้วยซ้ำไปเนี่ยหยั่งเข้าไปดูออกไหมเนี่ยลงผิดละ่ะคือเรามาักิดิดคิดว่าตอนที่ไหลเข้าไปเนี่ยยังไม่ต้องดูตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มการดู นะต้องให้ไหลเข้าไปให้เสร็จก่อนแล้วก็เที่ยวไปหาหาก่อนหาหาก็ยังไม่ต้องดูเราให้หาเจอก่อนแล้วค่อยนั่งเฝ้าแล้วคิดว่ า, าการไปนั่งเฝ้านามาทำข้างในเนี่ยเป็นการปฏิบัตินั่นเป็นความหลงผิดเบื้องต้นทําอย่างนั้นไม่เป็นไรแต่เมื่อฝึกมากเข้ามากเข้าเนี่ยต้องรู้ทันพฤติกรรมของจิตรู้ทันตัวสมุทยัยในการที่เราส่งใจเนี่ยเนี้ยเนี้ยตัวสมุทัยมันเกิด ดูออกไหมงั้นโยอย่าไปเสียท่ามันนะตัวสมูทัยมันเกิดขึ้นมาอนพอมันจะจะขยบเข้าไปเนี้ยรู้ตัวมันขยบเข้าไปเลยนะไม่ใช่ว่าเอาแล้วให้มันขยับเข้าไปให้เสร็จก่อนแล้วก็ไปแช่อยู่ข้างในแล้วถึงจะเริ่มดูนั้นหลงไปเรียบร้อยแล้วลอเอ อ, เ อ, อทาตลอดหรือหลงตลอดคุณก <c oughs> ีวีฟนเข้าใจไหม อย่าอย่าส่งใจไหลเข้าไปก่อนแล้วส่งใจเข้าไปข้างในตอนส่งเข้าไปนี่ไม่ยอมดูตอนนี้ยังไม่เริ่มปฏิบัติเห็นไหมมีเวลาที่ปฏิบัติกับมีเวลาที่ยังไม่ปฏิบัตินี่ใช้ไม่ได้เลยยังมีการเว้นวักอยู่รอให้ไหลไปให้เสร็จก่อนแล้วค่อยดูแล้วสมโพนยังไปเข้าไปอย่างเงี้ยดีอยู่เงี้ยนะอยู่กลางๆไม่นอกไม่ในไม่มีนอกไม่มีในอะไรนี่หลงนะอันนี้จะแกล้งทํากลางๆไม่ได้ คุณชื่ออะไรน่าลืมอีกละอนุวัฒน์ครับอนุวัฒน์ชื่ อ, อยาวมีน่าลืมบ่อยเป็นไงภาวนาได้เถอะเวลาไปดูรูปเหรอเวลา <c oughs> อ๋อเพราะว่าจิตเนี้ยรู้อารมณ์ได้ครั้งและอย่างเดียว แตนะ่ถ้าเมื่อไรเรามารู้รูปนะมันมีวิญญาณจิตเกิดที่กายเรียนกะกายะวิญญาณจิตมารู้รูปกายะวิญญาณจิตไม่คิดไม่เป็นนะเพราะงั้นอย่างการที่เรารู้รูปไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะไม่คิดนะแต่ถามว่าเราจะได้อะไรไหมนะได้สงบสิได้สงบนะถ้าจะดีกว่านั้นอีก รู้ว่าเราจงใจไปรู้รูปคือคําว่าอินเสียสังวรเนี่ยหมายถึงว่าเมื่อตาเห็นรูปมีอินเสียสังวรเมื่อกายกระทบโภชพะมีินเสียสังวรเมื่อใจกระทบธรรมารมมันก็มีอินเสียสังวรอย่างการที่เราส่งใจเราไปดูกายอย่างกายเราไหวองเงี้ยอันนี้ความไหวของกายเป็นธรรมารมนะ เป็นธรรมารวมเป็นสิ่งที่รู้ด้วยใจเพราะอะไรอย่างเราหลับตาลราไหวเนี่ยใช่ไห้ใจเราก็ยังรู้อยู่การที่เรารู้รูปยืนเดินนั่งนอนการคูการเดียดการเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นการรู้รูปด้วยใจในการเมื่อเรารู้รูปด้วยใจแล้วเนี่ยให้สังเกตต่อไปความยินดียินร้ายถ้าเกิดขึ้นให้รู้ทันมันถ้ารู้ไม่ทันเนี่ยกิเลส จ, จะครอบงา คำว่ายินเสียสังวรหมายถึงว่าเมื่อตาเห็นรูปนะเมื่อหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสเมื่อใจกระทบกับธรรมารมณ์เนี่ยหากความยินดียินร้ายเกิดขึ้นให้มีสติรู้ทันถ้ามันมีสติรู้ทันท่านสอนต่ออีกถ้าหากไม่รู้ทันกินะนเลส จ, จะครอบงํารอกเงั้นอย่างเราดูรูปนะดูรูปรู้สึกไหมว่ามันโล่งๆแล้วใจเราอาจจะยินดี ใจยินดีรู้ทันเลยนะรู้ทันคือการรู้รูปเนี่ยไม่ใช่ให้จิตไปหยุดอยู่แค่รูปนะเพราะว่าวิถีของจิตเนี่ยเมื่อมันรู้รูปแล้วมันจะมาทํางานทางใจต่อมาปรุงกุศลอกุศลทางใจนะการเจริญสติเนี่ยมันเจริญตรงที่ชวานะจิตเค้เรียนอภิธรรมนะคปล่าได้เรียนนะคือเมื่อตามมงเห็นรูปในขณะที่ตาเห็นรูปเนี่ยไม่มีกุศลอกุศลรู้สึกไหม เวลาใจไปดูรูปไม่มีกุศลนกะุศลด้วยไหมไม่ใช่พรใจกระทบธรรมารมด้่ยนะมักเก็บลูปแต่งเช่นพอใจที่จะทําอย่างเนี้ยแต่ถ้าตามองเห็นรูปยังเก่งไม่ตามองเห็นรูปแล้วว่างเปล่าในขณะที่ตาเห็นเนี่ยไม่มีกุศลนกะุศลด้วั้นจิตดวงต่อมาที่เกิดตามมาเนี่ยถ้าไม่มีกุศลนกะุศลด้วยเนยมันจะไปคำว่าสักว่ารู้ได้งั้นเรารู้ทันจิตของเราเลย ตาเห็นรูปแนละ้วถ้าเกิดกุศลนะกุศลนะ ร, รีบรู้ทันเพราะงั้นปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่ไปไล่อยู่ทางสวารทั้งหกไปไล่ทางสวารทั้งหกจะยิ่งสับสนไล่ไม่ทันปฏิบัติเนี่ยมาเฝ้ารู้อยู่ที่ใจอันเดียวนะีใ่เนี่ยใจเราอยากดูอยากดูเราก็หันไปดูเนี่ยใจลอยรู้จักไหมใจมันหนีไปมันลงไปนะ ใจลอก็นั่นแหละภาษาพระว่าขาดสติเนี่ยหนีไปคิดอีกแล้วทราบไหมใจเราเผลอไปคิดเวลาไปคิดเนี่ยเรารู้เรื่องที่เราคิดนะแต่เราลืมกายลืมใจตัวเองการทำนี้ปัสนาต้องรู้กายรู้ใจตัวเองนี่ลืมกายลืมใจคุณนวัดลืมกายลืมใจเห็นมเราไปดูเขาเสร็จแล้วเราก็หนีไปคิดต่ออย่างนี้ก็ลืมกายลืมใจตัวเองโยลืมกายลืมใจแล้ว เริ่มจ้องล้ว ร, รู้สึกไหมเริ่มส่งใจเข้าไปดูแะเห็นไหมเที่ยวหาและวงงนะไม่หาไม่หานะถอยออกมานะดีแล้วอย่าไปทํามันเมื่อกี้อดีตเนียบเนียบละนะเออทั้งอย่างนี้ปล่อยอย่างนี้เลยนะอย่าไปกังวลเรื่องปฏิบัตินะเราปฏิบัติมันต้องไม่ทุกขนะ์นะจิตที่มีความทุกข์ จิตมีโทมนัสเวทนาอากุสุลจิตพวกเราปฏิบัติธรรมแล้วจิตหนักหนั ก, นกแน่นแน่แนจิตอกุสุลนงะั้นเราไม่ทําอักุศลขึ้นมาโดยสําคัญว่าดีซะอีกหนยะโยไม่หนักบา้างหรืหอไงรู้เปล่าว่าทําด้วยโลภะดูออกไหมเนี่ยมันอยากปฏิบัติอยู่รู้ไหมมันพยายามอยู่รู้ไหม อ อ, อย่าพยายามดูสิโยโยไปอยากดูความอยากไม่เห็น น, ะนี่อะไรทําให้เกิดพฤติกรรมมันนี้เห็นนะแค่นี้เองเห็นได้ยังแค่นี้ ง, ง่ายจะตายเนี่ยสปละมีเห็นไหมเริ่มทำแล้วเห็นไหมเริ่มสํารวมแล้วเข้าใจไหมเริ่มทมํมมทขมาขืนเขาขืมได้ที่ก็นั่งจ้องจ้องหลายๆปีเหนื่อยโอ็ มักผลนิพพานพ้นสมัยซะแล้วคุณนุวัดเถอไปแล้วนะเยื่อความเป็นไงภาวนานีต้องถามฟังฟังแค่หลวงพ่อมาภาวนาที่ผ่านมาเก็ติดองคกอเป็นเจ้านจองครับถลันลงไปอันเดียวกันแหละ คือพอถล่มลงไปเนี่ยนะเป็นเบื้องต้นเลยถล่มลงไปเนี่ยถ้าพูดภาษาปริยัติก็คือเกิดปัญหานะตัญหามีหกตัวเช่นถล่ออกไปดูหลงไปดูนะไปดูเขาเผลอเผลอแล้วลืมตัวเองไปฟังรู้เรื่องที่เขาพูดลืมตัวเองเวลาเราลงมือปฏิบัติเนี่ยสัง เ, เกตไหมเราชอบถล่มลงไปดูหมถึงแทนที่เราจะดูอยู่ห่างๆเนี่ยใจเราไหลเข้าไปข้างในด้วย อย่างพวกกาหนดลมหายใจสังเกตให้เดี๋ยวพอาหายใจสักพักนะั้นใจจะเคลื่อนไปอยู่ที่ลมนะลงไปแช่ที่ลมหรือเราขยับมือใจไหลไปอยู่ที่มือขยับเท้าใจไหลไปอยู่ที่เท้านะดูท้องใจไหลไปอยู่ที่ท้องเนี่ยมันไหลไปมันถลําไปไม่ตั้งมั่นแต่ความตั้งมั่นเนี่ยห้ามทําขึ้นมาให้รู้ทันความไม่ตั้งมั่นแล้วมันตั้งขึ้นมาเองสติก็ห้ามสร้างขึ้นมานะ สัมมาสมาธิก็ห้ามทำขึ้นมาปัญญาก็ห้ามคิดเอาไม่ได้ทำอะไรสักอย่างแต่ทำยังไงสติจะเกิดอะไรเป็นเหตุใกล้ให้สติเกิดเราต้องทำเหตุไม่ให้ทำตัวสติซึ่งเป็นตัวผลเหตุที่ทำให้สติเกิดก็คือสติแปลว่าความระลึกได้มันจะระลึกได้อย่างเราจะระลึกถึงอะไรได้เราต้องเคยรู้จักสิ่งนั้น ีสติจะระลึกได้ว่าโลภะเกิดขึ้นเราก็ต้องเคยรู้จักโลภะสติจะระลึกได้ว่าโทสะเกิดขึ้นเราต้องเคยรู้จักโทสะสติจะระลึกได้ว่าเราเผลอไปแล้วเราต้องเคยรู้จักเผลองั้นภาระกิจของเราในเบื้องต้นหัดรู้จักสภาวะไปเรื่อยๆเดี๋ยวสติจะเกิดขึ้นเองสติที่เกิดขึ้นเองนี้จะเป็นกุศลจริงๆจะเกิดร่วมกับกิเลสไม่ได้เลย แต่ถ้าเมาื่อใดเรามีกิเลสอยู่เรานั่งดูแหมฉันมีสติดูเห็นโทสะโทสะยังอยู่ไม่ดับนี่แสดงว่าไม่ใช่สติตัวจริงไม่ใช่เราลึกขึ้นเองแต่จงใจไปดูเหมือนข้ามีโลภะอีกตัวหนึ่งอยากดู เ, เลยส่งใจเข้าไปดูกิเลสไม่หายหรอกกําลังมีเป็นอกุศลอยู่ขณะนั้นเนหน้าที่เราคอยหัดสังเกตสภาวะะดูกายก็ได้นะเห็นท้องทองทอง้ทองยุคนะ เห็นเลยไอ้ที่ฟองที่ยุบไม่ใช่ตัวเราหรือเห็นลมไหลเข้าลมไหลออกนะเห็นธาตุไหลเข้าไหลออกนี่กายนี้ไม่ใช่ตัวเราบังคับไม่ได้เห็นจะ อ, อย่างนี้จะดูเวทนาเห็นความสุขความทุกข์เกิดขึ้นนะอย่างเรานั่งอย่างนี้นั่งนานๆเมื่อยดูลงไปเลยความเมื่อยเป็นตัวเราไหมความเมื่อยไม่ใช่ไหมความเมื่อยเป็นขาหรือเปล่าขาก็ไม่ใช่ความเมื่อย ความเมื่อยเป็นจิตหรือเปล่าจิตเป็นคนที่ไปรู้ความเมื่อยความเมื่อยเป็นของถูกที่จิตรู้เนี่คยค่อยๆ แ, แยกแยกแยกไปคล้ายๆอย่างวิธีของศาสน า, าพุทธมีวิธีอย่างเรียกว่าวิพัฒชวิธีคือจับแยกอย่างเราเกิดความหลงผิดว่ารถยนต์มีจริงๆก็จับมาแยกเป็นชิ้นๆๆแล้วเพราะว่ารถยนต์ไม่มีรถยนต์เป็นสิ่งที่ประกอบเป็นขึ้นชั่วคราว เราก็ทำลายความเห็นผิดว่ารถยนต์มีจริงเนี่ยตัวนี้เรารู้สึกมีจริงท่านก็เลยสอนให้มาแยกขันห้าดูดูสิกายก็อยู่ส่วนหนึ่งเวทนาก็ส่วนหนึ่งจิตใจก็อยู่ส่วนหนึ่งลองแยกไปเรื่อยเดี๋ยวก็จะเห็นความจริงว่าไม่มีเราเนี่ยอย่างถ้าอยากรู้กายก็นั่งไปมันเมื่อยขึ้นมานั่งดูไปเลยกายมันเมื่อยไหมดูให้ดีเราแต่เดิมเราว่าขาเราเมื่อยนะ แต่พอเรามีสติมีปัญญาดูลงไปเอ๊ะความเมื่อยไม่ได้เป็นขานี่เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แทรกอยู่ในขาความเมื่อยเป็นจิตใจของเราไม่กายเราไม่ได้เมื่อยแล้วเพราะความความเมื่อยกับขาเป็นคนละส่วนกันกายเราไม่ได้เมื่อยแล้วใจเราเมื่อยไหมความเมื่อยทุกใจเรารู้นะฮะในกายเราก็ไม่ได้ทุกนะใจเราก็ไม่ได้ทุกเนี่ยหัดแยกไปเรื่อยเดี๋ยวก็ทำลายความเห็นผิด เวลาความเห็นกิดมันเกิดจากการมองสิ่งทั้งหลายอย่างเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลือกมีคณะสัญญามองอย่างเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยก็เกิดตัวตนถ้าหัดดูแล้วมันว่านี่ส่วนหนึ่งนี่ส่วนหนึ่งนี่ส่วนหนึ่งก็จะเห็นเลยอ๋อไม่มีตัวตนเรามาดูรูปรูปบังคับได้ไหมหายใจเข้าอย่างเดียวอย่าหายใจออกถ้าบังคับได้บังคับไม่ได้นั่งดูนะอย่าคิดเอาให้ดูดูของจริง นั่งเฉยๆรูปนั่งเฉยๆเนี่ยมันจะเป็นรูปนั่งตลอดการได้ไหมเพราะจะไม่ได้ไเป็นรูปยืนรูปเดินตลอดการก็ไม่ได้แม่รูปบังคับไม่ได้มีธาตุไหลเข้าแล้วไม่ไหลออกทานอาหารนั้นไม่ขับถ่ายอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ใช่ไหมเห็นไหมรูปบังคับไม่ได้แต่เดิมเราสำคัญผิดว่ารูปเหล่านี้นานๆทุกทีหนึ่ง ยิ่งพวกเด็กๆเนี่ยนะจะรู้สึกว่านานๆทุกทีหนึ่งให้แก่ก็จะรู้สึกทุกบ่อยหน่อยแต่ถ้าจเจริญสติเป็นจะเห็นว่าทุกทั้งวันนะร่างกายเราเนี่ยคล้ายๆเราวิ่งหนีสัตว์ร้ายที่ดุมากตัวหนึ่งวิ่งเท่าไหร่นะมันตามกัดตลอดเลยอย่างเรานั่งแล้วมันเมื่อยเราอุตสาหขยับหนีมันคล้ายๆเราขยับวิ่งหนีแต่เดี๋ยวไอ้ความเมื่อยตามมาทานอีกแล้วยันถ้าตามรู้ตามดูโอ้ยกายนี่ตัวทุกแท้แท้เลย แค่เห็นแค่นี้ยังไม่เกิดมากผลนะก็ได้ประโยชน์เยอะแล้วเช่นเวลาเราจะตายเราตายแล้วมันเจ็บเราเคยเห็นแนละ้วมันเจ็บทุกวันอยู่แล้วะมันเจ็บเวลาจะตายจริงๆ จ, จิตใจจะเบิกบานเออตายสักทีไอ้ตัวปัญหานะได้พ้นกับมันสันทีอยู่กับมันมานานมีแต่ความทุกข์ทั้งวันเลยถ้าเคยเห็นแต่ว่ามันมีความสุขอ่ยนะจะเสียตายอะไรอาวร เนี่ยแค่ยังไม่บรรลุมรรคผลก็มีประโยชน์เยอะแล้วนะในทางจิตใจก็เหมือนกันแต่เดิมเราก็วิ่งหาความสุขทั้งวันเที่ยวแสวงหาความสุขทั้งวันเลยที่อุตส่าห์ไปดูหนังเนี่ยไปดูละครดูอะไรนะดูทีวีดูวิดีโอคิดว่าดูแล้วมีความสุขถามว่าดูให้ตามีความสุขไหมไม่ใช่นะจะดูให้จิตใจมีความสุขอจิตใจนี่เป็นตัวชี้โกง อาศัยคนอื่นเขาแล้วไปแสวงหาความสุขใช้ตาไปดูแล้วก็มีความสุขใช้ลิ้นไปกระทบรสหารสอร่อยๆมากินแล้วจิตใจมีความสุขไม่ใช่ลิ้นมีความสุขลิ้นไม่เคยมีความสุขด้วยงั้นเราอุตส่าห์วิ่งหาความสุขทั้งวันเลยเพื่อให้จิตใจมีความสุขนี้ถ้าเรามาเจริญสติเรามาตามรู้อยู่ที่จิตที่ใจของเราเราจะเห็นเลยว่าเอาความสุขมันอยู่สั้นๆความสุขอยู่ประเดี๋ยวเดียว นะเดี๋ยวความสุขก็หายไปก็ต้องวิ่งอีกไปหาความสุขอันใหม่มาให้มันอีกหาอารมณ์ดีๆมาอันใหม่มาให้มันอีกวิ่งอีกวิ่อีกเหมือนสุขอีกนิดนึงนะเดี๋ยวไม่สุขอีกแล้วนะงั้นตามรู้ตามดูมากๆจิตใจเราจะเริ่มดิ้นรนที่จะสแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสปอธพัพพะธรรมารมณ์ที่ดีๆนะจะรู้เลยว่าหาไปแล้วก็เท่านั้นเองหาความสุขไม่ได้จริงนะแล้วความทุกข์ล่ะ เวลาความทุกข์เกิดขึ้นแต่เดิมเราเกลียดความทุกข์อยากหนีมันนะพระพุทธเจ้าสอนให้รู้ทุกข์พอเรามาตามรู้ไปด้วยเราจะเห็นว่าความทุกข์ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะนี้ถึงจะไม่บรรลุมรรคผลอะไรถ้าเมื่อไหร่เราตามรู้ไปเห็นว่าความทุกขุมันอยู่ชั่วคราวเนี่ยถ้าเห็นแค่นี้นะก็สบายขึ้นเยอะละเวลาเราเกิดเรื่องกลุ้มใจนะ่ะท่องคาถาไว้เลยเดี๋ยวมันก็ไปนะความทุกข์ทั้งหลายเดี๋ยวมันก็ไปปัญหาเดี๋ยวมันก็ไปหมด ไม่มีอะไรคงที่หรอกแค่ทําใจได้แค่นี้ก็มีความสุขเยอะแล้วนะงั้นหัดดูนะหัดรู้กายหัดรู้ใจไปถ้ารู้ตามความเป็นจริงเบื้องต้นก็มีความสุขอย่างโลกโลกแล้วไม่ต้องดิ้นรนมากมีความสุขถ้ารู้มากเข้ามากเข้าตามรู้กายตามรู้ใจมากเข้าเห็นมันไม่ใช่เรานะค่อยๆ ค, คลายความยึดถือลงไปจิตใจมีความสุขประนีตขึ้นไปอีก เพราะทุกวันนี้เราแบกภาระมากเรายึดถือขันเอ้าโยยึดถือไม่นั่นหรอกถ้าไม่ยึดจะเที่ยวหามันทำไมอุตส่าห์ปฏิบัติเนี่ยหวังว่ามันจะมีความสุขอะไรนะเออมันยังทุกข์ไม่พอถ้าเมื่อไหร่เห็นว่าหาแล้วทุกขนะ์ถึงจะเลิก มีเทวดาไปถามพระพุทธเจ้าพระองค์ข้ามโอคะได้ยังไงในพระไตรปิฎกเล่มที่สิบห้าพระสูตรที่หนึ่งนะบ่อยไปดูนะเทวดามาถามพระพุทธเจ้าพระองค์ข้ามโอคะคือข้ามพ่วงน้ําหรือข้ามกิเลสการ ม, มาโอคะภาวะโอคะอะไรอย่างเงี้ยพระองค์ข้ามได้ยังไงะพระพุทธเจ้าบอกว่าดูก่อนเทวดาเราข้ามโอคะได้เพราะเราไม่พักอยู่แล้วเราก็ไม่เพียรอยู่ ไม่พักกับไม่เพียนนะโยกําลัางเพียนอยู่ใช่ไหมเออเนาะไม่บรูุ้หรอกเห็นไหมเพียนอีกแล้วดูออกไหมเทวดา ฟ, ฟังแล้วงงบอกไม่ให้เพียนด้วยเคยได้ยินแต่ว่าไม่ให้พักบอกให้ช่วยขยายความหนะ่อยพระพุทธเจ้าท่านขยายให้บอกถ้าเมื่อไรเราพักอยู่เราจะจมลงถ้าเมื่อไร่เราเพียนเราจะลอยขึ้นนะเทวดาบรรลุพระรโสดาเลยบรรลุยัง ให้บันรู้ฟังเหมือนกับเทวดานะไม่รู้ไม่ยังไม่เข้าใจนะคำว่าพักอยู่ก็คือปล่อยจิตใจเราเนี่ยให้หลงปรุงแต่งอกุศลไปนะให้เพลิดเพลิอนอยู่กับอกุศลอย่างคนที่เข้าหลงโลกเนะี้ยเขาเรียกว่าทางศาสนาเรียกว่าพักอยู่หมายถึงไม่ยอมเดินไปข้างหน้านะจมพักอยู่แล้วเกิดอะไรขึ้นจมลงจมลงอบายนั่นเองนะ แต่ถ้าเพียนอยู่ดิ้นรนเพียนไปอยู่จะลอยขึ้นก็ามาเป็นมนุษย์มาเป็นเทวดามาเป็นลมไม่บรรู้หรอกมรรคผลนิพพานอะไรอะ่ะเขาคาว่าเพียนก็คือการไปหลงปรุงแต่งสังขาร่ายกุศลไปปรุงแต่งกุศลขึ้นมาเช่นเราพยายามปรุงแต่งสติปรุงแต่งสมาธิปรุงแต่งปัญญาปรุงแต่งเอานะ เราไม่ได้ดําเนินตามวิธีการของพระพุทธเจ้าที่จะทําให้สติเกิดเองทําให้สมาธิเกิดขึ้นเองทําให้ปัญญาเกิดขึ้นเองเรามุ่งไปแต่งเอาแต่งเอาไม่ได้แต่งเอาเป็นความหลงผิดเพราะเราต้องมาเรียนว่าอะไรทําให้สติเกิดบ่อยๆอะไรทําให้สัมมาสมาธิเกิดขึ้นอะไรทําให้ปัญญาเกิดขึ้นถ้าลองผมพงไปอ่านมหาปารินิพพานสูตรนะเล่มที่สิบ สูตรที่สามช่วงท้ายๆพระชนชีพของพระพุทธเจ้าเนี่ยไปที่ไหนท่านจะสอนเรื่องว่าศีลเป็นอย่างนี้สมาธิเป็นอย่างนี้ปัญญาเป็นอย่างนี้ทำไมต้องเรียนท่านสอนอะไรท่านสอนพิสูเนี่ยสอนพระด้วยซ้ำไปพระที่แวดล้อมท่านไปนะอย่างต่ำก็เป็นพระโสดาในรุ่นนั้นเนี่ยพระกลุ่มนี้คือที่ตามไปกุสินาราแลวปรินิพาน ท่านสลนว่าศีลเป็นอย่างนี้นะสมาธิเป็นอย่างนี้ปัญญาเป็นอย่างนี้ทาไมต้องสอนคนที่ไม่ต้องเรียนมีแต่พระอาหารหันต์นอกนั้นต้องเรียนหมดเรื่องศีลสมาธิปัญญาแล้วท่านก็สอนอีกว่าสมาธิเนี่ยซึ่งมีศีลเป็นฐานเนี่ยเป็นสมาธิที่มั่นคงปัญญาที่มีสัมมาสมาธิเป็นฐานเนี่ยมีความมั่นคงมีผลมากมีอา น, นิสงส์มากคราว่าอา น, นิสงส์หมายถึงว่ามันล้างกิเลสได้มาก อันนี้ส่งเป็นเรื่องการทำลายล้างกิเลสได้ผมบอกว่าสมาธิที่มีศีลสนับสนุนเป็นพื้นฐานเนี่ยมีอา น, นิสงส์มากปัญญาที่มีสมาธิเป็นพื้นฐานมีอา น, นิสงส์มากจิตต่นเรื่องจิตจิตที่อบรมดนะีก็จะถึงบิมุติถึงบิมุติได้ วิมุตต์หือตัวปัญญาเนี่มันต้องมีสมาธิเป็นฐานนะเพราะฉะนั้นศีลสมาธิปัญญาต้องเรียนทั้งหมดเลถึงจะพาให้ถึงวิมุตต์เรียนไปทําอะไรเรียนเพื่อไปอบรมจิตให้เกิดปัญญาแล้วก็หลุดพ้นเพั้นเวลาเราเรียนธรรมะควรจะเรียนให้ครบนะทั้งศีลสมาธิปัญญาบางคนใจร้อนไปขอศีลจากพระแล้วบอกว่ามีศีลแล้วนี่ศีลปลอมนะศีลขอเข้ามาของตัวเองไม่มี นี่ศีลจำปลอมบางคนบอกนั่งสมาธิเคลมแหมเห็นโน้นเห็นนี่มีสมาธิแล้วนั่นมันมิจฉาสมาธิบางคนไม่ทําสมาธิเลยจะกําหนดรูปนามอย่างเดียวนี่ก็คือพวกไม่เรียนจิตสิกขาอีกแหละเราะฉนั้นจิตสิกขาก็ต้องเรียนทีนี้แล้วศีลสิกขาจิตสิกขาคือเรียนจนจิตเกิดสัมมาสมาธิเกิดความตั้งมั่นต้องเรียนว่าจิตที่ตั้งมั่นเป็นยังไง จิตที่ไม่ตั้งมั่นเป็นยังไงจิตที่เป็นกุศลเป็นไงจิตที่เป็นอกุศลเป็นไงนี่พอเรารู้จนชำนี้ชํานาญแล้วว่าจิตที่เป็นกุศลเป็นไงอกุศลเป็นไงจิตที่ตั้งมั่นเป็นไงไม่ตั้งมั่นเป็นไงเราเอาจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยมาใช้แล้วเอาจิตที่มีศีลคือมีความเป็นปกติเนี่ยมาใช้ในการเจริญปัญญาปัญญาถึงจะเกิดการเจริญปัญญาไม่มีอะไรมากคือการตามรู้กายตามรู้ใจตามความเป็นจริง จนกระทั่งรู้ความจริงว่ากายกับใจไม่ใช่เราใครเห็นว่ากายกับใจไม่ใช่เราเขาเรียกเป็นพระโสดาบันดูไปเรื่อยเห็นว่าอ้อยัดไม่ได้ยึดแล้วทุกข์ค่อยคลายความยึดถือก็หลุดพ้นไปนี่คือตัวปัญญาต้องมาดูรู้กายรู้ใจเพราะฉะนั้นต้องมีศีลสมาธิปัญญาเพื่อกูนกันนะเดี๋ยวค่อยพูดรายละเอียดในภาคที่สองมีภาคสองนะ <laughs>